ยาซีเรียสเรื่องหมอนวิเศษการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในประเทศจีน มีชายช้านาคนหนึ่งชื่ออาเฉินกําลังนั่งกินอาหารอยู่ในโรงเตรียมก็ได้มีพ่อค้าเร่คนหนึ่งเข้ามาทักทายเขาว่าพอนุม่มท้ามาหากินเป็นอย่างไรบ้าง ไ, ไว้เลยครับชีวิตของข้าอับจนสิ้นดีอาเฉินตอบอย่างเศร้าส้อยเจ้าไม่พอใจในวิถีชีวิตของตนเองดอกหรือ พ่อเท้าสอบถามจะให้ข้าพอใจได้ยังไงในเมื่อข้าต้องทำงานหนักทั้งวันถ้าข้าได้เป็นเศรษฐีข้าจึงจะพอใจอาเฉินกล่าวพ่อเท้านิ่งงันไม่พูดอะไรก่อนจากกันพ่อเท้าได้ยื่นห่อผ้าในมือให้อาเฉินแล้วพูดขึ้นว่าพ่อนูม ข้าต้องเดินทางไปหมู่บ้านข้างเคียงพรุ่งนี้เช้าจึงจะกลับเจ้าจะเก็บรักษาหมอนใบนี้ไว้ให้ข้าได้หรือไม่หมอนใบนี้นุน้นนอนสบายดีเจ้าจะใช้หมอนใบนี้นุนหัวในคืนนี้ก็ได้อเฉินรับคำและเก็บรักษาหมอนไว้ให้ทั้งสองจึงแยกทางกัน ในคืนนั้นอาเฉินใช้หมอนของพ่อเท่าหนุนนอนเมื่ออาเฉินตื่นขึ้นมาก็พบว่ามีแท่งเงินแท่งทองเต็มไปหมดรวยแล้วในที่สุดเราก็รวยสมใจนึกอาเฉินตะโกนสุดเสียงด้วยความดีใจข้าจะสร้างคำ ร, รือหาดหลังงามข้าจะซื้อทุกอย่างที่ข้าต้องการอีกไม่นาน คฤหาดของเขาก็สร้างเสร็จตั้งตระหานอยู่บนยอดเขาอาเฉินเป็นมหาเศรษฐีไปแล้วเขาไม่ปรารถนาจะลดตัวลงไปเสวนากับคนจนดังนั้นเขาจึงปิดคฤหาดอาศัยอยู่ในนั้นตามลำพังอยู่มาไม่นานอาเฉินก็เบื่อหน่ายขาดอะไรไปสักอย่างอ้อรู้แล้ว สวนของข้าว่างเปล่านั่นเองเขาจึงสั่งให้คนงานหาดอกไม้หลากสีสันงดงามที่สุดเท่าที่จะหาได้และไม้ใหญ่มาปลูกไว้ในสวนและขุดสระเลี้ยงปลาแต่แล้วอาเฉินยังรู้สึกเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวจะต้องขาดอะไรไปสักอย่างอ๋อรู้แล้ว บ้านหลังนี้เงียบเกินไปอาเฉินจึงว่าจ้างนักดนตรีนักรำมาขับกล่อมให้ความบันเทิงแต่แล้วต่อมาไม่นานอาเฉินก็รู้สึกเบื่อกับการร้องราเขาจึงไล่นักดนตรีและนักราออกจากบ้านไปอาเฉินรู้สึกเหงาหงอยอ้างว้างอ้า สิ่งที่ขาดต้องการคือพันยาสักคนชัยแล้วช่แล้วอาเฉินส่งคนรับใช้ไปป่าประกาศกลางหมู่บ้านว่าหญิงใดที่ยังเป็นโสดขอให้มาชุมนุมที่หน้าคาเรหาดของเขาในเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อให้เขาเลือกเป็นพันยาแต่ไม่มีหญิงใดโอหน้ามาให้เห็นในเช้าวันถัดมาอาเฉินรู้สึกแค้นเคืองฉุนเฉียว หฮ้อเจ้านางโง่เง่าข้าไม่เห็นจะต้องการเลยอยู่คนเดียวก็ได้อยู่มาวันหนึ่งอาเฉินตัดสินใจลงจากเขาอาเฉินนั่งเกี้ยวหลังงามมีคนรับใช้สี่คนหามมาดโออาภูมิฐานยิ่งนักแต่อาเฉินก็ต้องประหลาดใจเมื่อผู้คนในหมู่บ้านไม่มีใครให้ความสนใจเขาเลย เมื่อเขาผ่านโรงเตี้ยมเก่าเขาได้ยินเสียงผู้คนทักทายกันสลับกับเสียงหัวเราะเป็นระยะเขามองเห็นเพื่อนเก่าซดข้าวต้มร่วมกันแม้คนเหล่านั้นจะยากไร้แต่ก็มีความสุขยิ่งอาเฉินหัวนกลับมายังคฤรือหาดอ้างวางนั่งครุ่นคิดอยู่เป็นเวลานานเขากลายเป็นมหาเศรษฐีแล้ว แต่ก็ไม่มีความสุขชีวิตแสนสบายแต่อ้างว้างอาเฉินอยากจะกลับไปเป็นชาวนาสามัญเช่นเดิมแล้วเขาก็เผลอหลับไปเมื่ออาเฉินลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าตนเองอยู่ในห้องเก่าซอมซ่อทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมอาเฉินเพิ่งรู้ว่าตัวเองฝันไป เขาวิ่งออกจากกระท่อมหวัวเราะร่าด้วยความยินดีอาเฉินร้องทักทายชาวนาที่เดินผ่านบ้านเหมือนกับเพื่อนรักที่หายหน้าไปนานและพอถึงตอนสายของวันชายชราเจ้าของหมอนก็ได้มาหาอาเฉินเป็นอย่างไรพ่อนุม่มเมื่อคืนหลับฝันดีหรือไม่อาเฉินวิ่งกลับเข้าบ้าน หยิบเอาหมอนห่อผ้าให้เรียบร้อยยื่นคืนให้เจ้าของขอพระคุณท่านผู้เฒ่าเป็นอย่างมากที่ให้ยืมหมอนวิเศษใบนี้ข้าเพิ่งได้บทเรียนล้ำค่าของชีวิตไม่มีสุขใดใหญ่หลวงเกินไปกว่าความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่แล้วอาจฉันหยิบจอบขึ้นพาดบ่าเดินผิวปากออกจากบ้านมุ่งหน้าไปยังท้องนา พอเท่าอมยิ้มและออกเดินทางต่อไป